พระธรรมเทศนาจะดกพื้นเมืองเหนือเรื่องสุวรรณแปะคำเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยป่ออินสมชัยชมพูป ร, รียนทำหพประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงายอามฮ ทัสาภากวตโตอราหโตสมมาสมปุทธาปุนาติวเสราชาทิตาิปิโตสันติกังเวเกนาคันตวตามัททังอโรเจสิตี สาธวดุราสัพุริาตั้งลาลตั้งยิงใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟพาธนาใข้ไกกาลาภาคป้นเสียจากวัตาสงสารอันบ่อสำรานเตียงเต้าหูแก่เท่าจารา หวมารณากากาดหูไม่มาดมองขีบบ่อซัดสาดีมันเตียงหูวความเหงียงแท้พัพนตามกรรมภัยมันสร้างไว้ <c oughs> บ่อหอนได้หายสูวนยามบุญมานุนสองอยู่เตียนย่อมได้อยู่เจอย้านสุกสำรานจื่นจ้อยบ่อตาก้อยมองใจ กันคานิ่งใดใขด่ใดยังของเรื่องใจใดใดย่อมสมใจจูอย่างตามไปอ้างคิดตานะาแม่นกำหินผามาไว้ก็บังเกิดใดเป็นกุลกันยำบุญสูญเสียงขอดบาปมารอดเถิงตนย่อมเรร้นไม่เอาทุกคำเจ้าแลงไง เงี่ยการลายได้้อยตุกจองห้อยหัวใจวังอันใดวิดว่างบ่อสมอ้างดังกิตนาแม่นกําเงินทาลาบาดไทยคำกานใหญ่เจียงจินย่อมกายเป็นหินเมื่อซ้อยหูตกถอยหายหุ่นเกิดเป็นคนหลกวางตกอยู่ข้างสงสาร บ่จีรังการสักกากตามบุญแต่บาปลากปาไปล้างเตือสุขใจจืนจ้อยล้างเตือต่ำก้อยมองผ่านอยู่บ่อนานเดินจ้าป้อยทุกโซกามองขีลางจาดเกิดในเอเวจีต่ำไต้เกิดเป็นสัตว์น้อยใหญ่ลวงลาล เกิดเป็นอสูรากายภายเพ็ลางจาดเกิดเขตเมืองคนลางพ่องตารนกัอยากตุกลำบากมองขีลางพ่องมั่งมีลายแหล่เขาของแพ่ธมนาลางเตือมารน า, าความนาไปเกิดจันฟ้าไปบนพัดเวียนบนดังอีบอ่อมีตีสุดปลาย เกิดแล้วตายจ้าใจนับจาดบ่ได้ดีเลีกันปาระมีน้อยใหญ่เราหอมยับไว้นำนาจริงจักปาไปรอดเพียงแกวหยอดเนระปาน เป็นตีสำรานมันตียงบอโู้วความเงียงแผ่พันเป็นสุขนิรันด์คำเจ้าบโห้แก่เท่าจราโบามีโรคกาเมื่อยไข่ตุกน้อยใหญ่ดับหายตันตั้งลหลจูู่หากใดผ้าหูดีลีจิงสร้างป่าราบีตัวเก่าฮอมาเต้าถมนา ก่อป่ากันมามวลหมู่พร้อมดาอยู่ฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีว่าปุนาติวเส ร, ราชาดังนี้เป็นต้นติดสืบสนตัวไปบัดมีเ ด, ดเต ปูนาติวเสราชาทิตากันวันลุนรุงเจ้านังนอเ น, นาราชตาิดาก่อไกกาลิภาวไปสู่ดาวหอคำย่อมือตั้มต่างเกาไวป่อเจ้าราชาคขขีญยาเกากีอเอแจ้งทีตามมี <c oughs> เจ้าปูรียศใหญ่ฟังเสียงไข่สุดปลายยินไหลยหลายแลใจพัดแผ่เวบบนโกลาหุนเอาไหมบ่เกิดไข่ไปนานย้อนมีมันบาปเศร้าบันโดนเข่าหัวใจเจ้าห่อใจหยดเหยายินโคดเฮานาหนม ใครยังกำอยาบยาดาวโาลกลานานาวากูมีอาญยาปงขาดเฮ อ, อามาเตรียมใจรีบเจ้าไว้ด่วนเฮาทีกองป่าสัญญาพับปาราเมืองใหญ่เฮอหูวไขเป็นไมายวา่าเฮอคนใจนุ่มเทาบอกว่าเจ้อเผาเจ้าใด <c oughs> เรียบเรียวไว้ตั้งหมู่บ้าพร้อมอยู่ล้านดวงยามใจปันปวงน้อยใหญ่มาพร้อมไข่เต็มสนามมึงบ่หันงามสักผูบ่จบสู่ใจได้บ่มีคนไในไผ่ราตรอีอามาตเจนาป่อยสีเนาหาไผห้อยยังแปะปูถอยสัตติรชาน ผิดโบราณแบบเบาจารีธเก่าท ร, ร ม, มาดาแม่นมึงจากขับไปว่าแปหลอ่อขับใดเป็นคนมีลักขณะตนงามอาจ วันดาวิลาเตืองลายงามกว่าใจโลกไต้กูก็่อไฟจักหันคนจักปากันเหล่าเศร้าพับไข่ดาวธานีว่าเจ้าปุรียศใหญ่ได้ซัดต่ำไตเป็นเคยไพ่โบเกยได้หูแต่เจนปูปิตาโบเกยมีมาแต่ก่อน จินเท่ามนโบราณโยทาหานไผ่ไตเตียง nh nh ย่อใ่ต้นกูคนจุ่มปูจูบอนจักจี้งอนเตียนขวัญเถงสวรรค์จันฟ้าก่อจักไว้สีนาสันได้มึงจังไรแต่ใส่เฮือกูไดเพิดละายเงือตาใหญปูป้า ได้เสียนาเสียสี่หกนารีปีเก้าย่อมได้ลูกเจ้าผาปาราเป็นสามิกาแนบข้างตามไฟอ้างคนิงหมายคนตั้งหลายตัวดาวต่างจืดยาวสมมนัจ่าส่วนมึงดีนะเป็นน้องเกิดรวมต้องเดียวกันป้อยพิษพันแผกเบา บ่เหมือนปีเจ้าหกนางกูบ่หวังปงขาทถืออยาาู่ผาสัดไปนานกันใจมึงปานไปหอยอยังแปะถอยจังไรจุงเร็วไวขึ้นสู่ยังตีอยู่หอนางรีบดาดาังเมียดไว้ยังเครื่องใจกับตัวคือพาคัวเขื่องงาอย่าได้จะซับปัน แล้วออป่ามันนี่ออกไปอยู่นอกเวียงใจอย่าไานางไหนใหญ่น่อยไปเป็นข้าคอยจอมตนมึงจุงหนปิกปอก <c oughs> วายหน้าออกไปไว้กันอยู่ไปเนินจากกูเตียงคามึงตายนางคิงไผ่หนอเน่าฟังป่อเจ้าไข่ปัน ุกเป็นควันวูร้อนตุกทางคอนปายในน้ำตาไหลย้อยยาจักอภิวาททุนสาไขขีนยาเกาวจี้ฮอแจ้งทีตามมี เยี่ยวเจ้าปูรีขอดกาจักคำคาสับฟันจริงอภิวันก้มเกา่าไว้ปอเจ้าผู้มีแล้วรีบหนีขึ้นสู่ยังตี้อยู่หอตนก็มีหันและนะ กันไก่กะมารอถึงที่จอดหอตนนางตามุนยศใหญ่กอดาเครื่องใจนานาคือวัฒถาแผ่นผ้าตั้งเครื่องงาอลังการ ของเจียงขานก้ามากอันตนหาเกยมีปกปันดีเมียดไว้ยเยี่ยร้องให้ก็เยี่ยดาไปจุมนางในมวนหมูกันได้หูขี่ยา ต่างโซกาเอาไม้ร้องรำให้จอมกันต่างไค่ปันต่อถอยมีบ่หน่อยนาห น, น้าพ้องใจเววาความเขือกนอนกิงเกือกเรรน ที่อกตนท่าทาบน้ำต า, าปล่อปังมีเสียงดังมีกองพับไข่หองหอในายน้อนมีใจหักคอดยังนางยอดรดัตจติดา ยินคุณนาะบอเลอหย่อนนางนอกแก้วตกผ่านเกยสำรานคำเจ้าจากัสกใดโศกเศร้าเครื่องกานางกัญญาใหญ่น้อยต่างริรำถ้อยลายผัการส่วนนางนงคานน้อยนาตุกไม่มาดมองขีกันแต่งดาดีความไข่ก่อไปไว้ทุนศาสยังมันดาแม่เจ้า ใครบอกเราตามีนางเตวียอดซอยฟังลูกซอยไขปัน อ, อกเป็นควันไหววันบ่ตั้งมันเววาจริงใครจะต้านต่อว่าดุรลูกน้อยนอใส่ใจแม่จากไปขาบไปยังปอไทยราจาขอวางละงดโทษเมตตาพดภาณี ยังสายสลีลูกลาอย่าฮือาักนานีไก่กันจะไขเบียนแล้วนังแม่แก้วกุณาก่อไก่การีพาวขึ้นสู่ดาวโรงกันอภิวันขับไวส่งเต้าไทยพาปราวาข่าแดมหาราชาเจ้าตนเป็นปิ่นเก้าเนื้อหัว บัดนี้ตัวข้าน้องตุกโศกต้องเลือลายเตียงจักตายด่วนสั้นบ่อตั้งมันยาวไปเฮปีใสใจโคตรกาขับโลกลาเราราฮือได้กาลาภาคีออกจากเสียมือเมืองขอพระบุญเรื่องเจ้าปีกึสั้นที้าไกขออดใจงดโต๊ด เตตมตตาโพรดปงวางหื้อสีกิ่งบางลูกเต่าได้อยู่ตี่เก่าหอไหนกันลูกใสใจผ่าข้างน้องเตียงจักมั่งมาราณาบัวยาจักเลยนะ ตดสาวาจานังตัดตวราชาเมื่อ น, นั้นพญายศใหญ่มานเข้าใส่กวนใจจริงจะใครตอบท้อยซส่งนางยอดซอยเตวี <c oughs> ว่าลูกเราบด่ดีแต่เล่ายพิษแบบเบาโบราณเอาสัตตริฉันต่ำต้อยเป็นกูห้อยเตรียมคิง คนใจยิ่งได้หูเตียงเก่าเตียนควันจักหรือนั้นเรล่าเศร้าไข่เขตดาวธานีโตดมันมีลายหลากตีแต่หากถึงตายกูบอหมายจักาคาาเอความนาดับขันเต่ออกขับมันนีออกไปอยู่นอกเวียงใจกันบ่อเร็วไว้นี่กว่ากูจักค่ามันตาย กูบ่อหมายงดโทษเมตตาโพดวางตำกูไข่คำมันเตียงบ่อบิดเบี้ยงเป็นสองต้วตามกองแบบเบาแต่ก่อนเก่าเดิมมากันโลกเรารานีกว่านางจักความนาบาไวยกูบ่อเสียดายแต่เล่าบ่อสกเศร้าคนิงหาเต่าจังเอานางโสพาผู้ใหม่ มาอยู่ใกล้เป็นเตวีสเสวยสรีเสพส้สางนั่งแนบค้างแต่นั่งและนาต่างสุดตาราจาเตวีส่วนนางเตวีหยดเหงาได้ยินเต้าใครจามีน้ำตาหลั่งย้อย ตุกจองห้อยเลือลายรีพันพายขึ้นสูญยังตีอยู่หอไหนแล้วจะใครบอกเล่าแก่ลูกเต้าตามมีก็มีหันแลยนะ ตรรมทังประกาศเซนโตสัทธา า, าสัทธาสัพปัญญูพระพุท ธ, ธเจ้าตอนเป็นปินเก้าติโลกาจารันอัธตาดีตานไปแจ้งพระจริงแสงเตสานาวาสาเตวีโตมานัชพัตตากาันตว่าจาญายดใหญ่ตุกเอาไม่เลือใจ เหตเจ้าหอใจยศใหญ่บ่งดตอดวัางปันแกจอมควันลูกลาจิงเรียบอายนาขึ้นมาแล้วไครจาเกาฮื้อลูกหูตามมี ว่าเจ้าปุรีตนปอบกึดต่อไปนานเต้าใจหานโคตรหม่แม่ขับไม่ทุนสาคอคุณน้างดโตก็ก็บ่พดพานี เต่าหือลูกนี่รีา้าออกจากดาวเวียงใจจักไปอยู่ไกลหรือไกลตามมักไฟใจใหมยแม่เตียงตายมวยหมอดบอดได้รอดไปนาน รอยกำสามานลายจาดบ่อได้ขาดตวาัวมาเฮเราราแม่ลูกใดต้องถูกมองขีลูกจักได้หนีผาค้างย้อนป่อเจ้าจ้างบ่อขุนนาดูระาสาที่ได้ลูกลาแม่หักยิ่งกว่าหัวใจ นางเกย อ, อยู่ในภาสาดอันสะอาดงามดีลมบบตีปะตองแดดบอทสองกะญาพอตามฝ่าเรื่องเรือพอจูเมือ่อใจบานอันจังผู้จะนานฉลาด หากแต่มวาดดวงคลายมีตั้งรูปจางป้ายตัวเลิศแล้วรูปมาแก้วอัจจดอนรูปกินดาร้อนแอนฟ้อนเป็นกูซ้อนกินนารี รูปนาตีแม่น้ำรูบเทือนทมดงรามติดคำจามด้วยแก้วงามเลิศแล้วลายสีเป็นของดีจูสิ่งย่อมกางจูอันอัน <c oughs> บัดนี้จอมควันลูกลาจักได้กว่าทานี้จากหอคำดียอดซอยไปอยู่ตูบน้อยมุงค้าพ่อตามฟ้าดูห่าง หันเป็นวางเป็นหูอยู่ในดูพอออกหันไปนอกจุดตาเหลือบ ga, ยุงมา่าหญ่คบตอมไตเบียนขีสายสลีนอไทยจากไปอยู่ใดสันใดแต่ยาไว้อ่อนน้อยนั่งยอดซอยชมสีเคยนอนสลีอันอ่อน ผ้ห่มซ้อนสุขุมานมีปริวานน้อยใหญ่วังแวดไกอาศาถึงเวลาคำเจ้านำนำเข้าย่อเกณฑ์ยำหนาวเย็นเมื่อยครมาอยู่ไกล้ปัดปัวบัดนี่ตัวลูกลาจักได้กว่าเตี้ยวจรไปอาใส่นอนเรือดสา์ บ่มีเครื่องวอดกลัวแป้งมีแต่ฝ่าแข่งขาดางเจ็บปวดคางยามนอนถึงไงตอนคำเจ้าจากใดหนึ่งเข้าดาแกง <c oughs> เออซะแวงซอไซ ห, หาพักไม่นานนาบ่มีคนด่ายืนตอนเหมือนแต่ก่อนอ่อนหลังจักเป็นทุกขังคำเจ้า แต่ลูกเตาใส่ใจยามหนาวไหนเหมยไครไผ่จักอยู่ไกลรุมราราจามันดาหยดใหญ่ตุกเอาไม่ทมใจริรำไรเก่าวท้อยมีบ่โน้ยลายผักกาดกมีหั่นแลยนะ สัปะนาราชาทิตาส่วนราชาทิดาหน่ อ, นอนกเกาอกุมเก่าทุนสาวาขาแดงพระมันดาติไวคนโลกต้ยิิงใจมีดวงลายมวนมากย่อมตามกรรมวิบากป่าไปบอมีคนใดจักอาตัดเสียงขาดเวนกรรมอันตนกระทำสร้างก่อ <c oughs> สืบติดต่อมาปานล่างตกผ่านอยากไร่กับเกิดใดเป็นดีล่างเตือเป็นเศรษฐีมังเต้าวิบากเก่ามาตั้นกับแผ่พันกัญญาก ตกลำบากตาล้างเตือใดหนังบนขอจ้างลางเตือใดเตียวหยางดินได้ล่างเตือใดเป็นนายแก่หมูลางเตือได้อยู่เป็นคุณ บาปเมื่อนุนต่อหน้ากายเป็นคากระทำการคนสามนานไยไต้กับเกิดได้เป็นภาญาเจ้าปรราชิราเตจอาดเดือลายได้กับกายก้อยกาดจากภาษาคำแดงไปซอแฝงลี่ซ่อนอยู่ในบนเมืองไก่บ่มีไผ่แต่ใสจักตัด บิบากได้ดีดีบิบากลูกมีดังอีบ่อดีิกลีเสียใ น, นขอตัดใจกระภากตามวิบากปามากันบ่ามาณาหนะมุหมู่ได้ตั้งอยู่ไปนานบ่ตกผ่านตำจา้า เมื่อนาวันลุนจากมาแต่นกุนแม่ไทยบ่อฮือใดหายหันกันบุญกุศลบอกคำได้ขาดความดับขันบอกได้ตันมาไว้อยู่ตีไกรุมราขอแม่คุณนาะพายพ ột, ดกดเวนโตดวางตำยาง เ, เป็นกำตำจา้าติดตัวลูกลาตัวไป กันส be so ีลงไว้ยอดซอยเก่าวเสียงซอยสุดปลายก่อนย่อมือถวายกลมเก่าไว้แม่เจ้าเตวีแล้วลานีขึ้นสู่ยังที่อยู่หอตนบอกแกดอตสะปนตนองอาตังนางนาดกัญญามีนำนาน้อยใหญ่ฮือหูไข่ตามมีก็มีหันแลยนา เมื <idian cassette> ่อนั wrong, ่นนอตสาป้นตนวิเศษผู้แจ้งเจตหันไกว่าบ่อนานเต่าใดแต่ใสจักปนโสไม่มองขีจิงไขว่าตีเก่าอู คือดังหูตามร้ายแล้วพันภายไว้ว่องออกจากห้องหอไในรีบลงไปไปายไตเข้าขาบแปะใดสับปันไผ่บ่อตันได้พอบอ่อตันไดปากล้อจะทากายเป็นแปะงอ้ำบ่อเศร้าเป็นดังเก่าเดิมมาส่วนราชจ่าธิดาแวนฟ้าถือเอาปกผ้าคว่าใบ ใอกกาไปก่าวบอกแกมูกัญญาอันพงเววาร้องให้น่ามนไหมมองขีว่าเราขอนี้ไปก่อน ไปอยู่นอกบนปาราตามอาจญาดวนฮาวแห่งป่อเต้าบุญเรื่องสูยาเคืองเอาไม่อย่าร้องให้เรือพระมาันจุงแปงใจบ้านจื่นจอย อยู่ผาสาสซอยใส่สีเฮือสำรานดีจู่ผู้ย่าได้หูมีไฟโศกทุกไก่ห่างค้างเฮือสมไฟอ้างคนิงมายกันบุญเราลายบ่อผ่อนมาไลลตอน ต, วตัวตันเตียงจักพันปิกปอกวายหน้าออกขึ้นมากันบุญหาบ่อได้มีแต่บาปไล่ตัวหลัง ก็บ่าวังแต่เล่าจากใดปอกเตามาหันกันไขปันเสียงขาดก่อนย้ายบาทลีลาลงผังกามารอตีแปะยอดคนคำแปะเตียยน้ำก่อนนานังดอลาจอมหลังเป็นตุกขังไม่มายกย้ายบาทจอมกันเพื่อภายพันนี่ออกไปอยู่นอกเวียงใจ จุ่มคนในไฟไตหูวแจ้งไขขี่ญาปากันมาบากเต้าตั้งหนุ่มเทาดิ้งใจต่างค้านิ่งไม้ไข่ขพอบินนาลอกองตัง ส่วนหกนางผู้ปีหัวแจ้งทีอาการต่างใจบ้านจืนสุรีบมาอยู่ริมต่างกันหันนางน้องลามาตัดหน้ากองตา <c oughs> ก็ใครจะจะถอยดาน้องซ้อยลายพาการบามึงสามานแต่เล่าเป็นลูกเจ้าผา ป, ปรา ถารงโสภาวิลาศวันนาอาจเปิงเป้าพงเป็นสาวขึ้นใหญ่คนหรือไข่แดนไก่ป้อยจังไรใจยาบมีแต่ข่าวเป็นคนหัวใจตนมืดเศร้าพิษแบบเบาารร ม, มาดาเอาสั์ปลาละต่ำใจมาอยู่ไกลเป็นผัว พ่อเดือหัวบ่อข้าฮือความนาบำวายหากเป็นบุญหลายแต่โสดิงได้โพดปงว่างฮือมึงนางมนีออกไปอยู่นอกแดนไกล จุงเร็วไวนี่กว่าอย่าฮือหันหน้าไปนานสาสวงหวานเจือจาดธือตัดขาดบัดเดียวจุงรีบเร็วรีบพาวออกจากเดาเวียงใจ แต่นี่ไปเป็นเก้าทาราบต่อเต้าถึงตายมึงย่ามายก่าวจี้ว่าตูเป็นปีมึงนางมึงไปอยู่กลางเถื่อนทองหรือแต่ต้องเบืออใดจักเินใจกันอยากตกลำบากเครื่องขีหรือบุญมีส่งอยู่ใดขึ้นอยู่ผังกาเป็นราชญาญยดยาว ภาพแผ่นดาวห่อคำก็อยาไขกำเกาอูฮือคนหูไปลายว่าเป็นสายเ จ, อเจือเจ้ามีปีเก้าหกนางในเมืองควางใหญ่กว้างมีเจืออ้างว่าปันธุมติราธานีหกนาฬปี่เก้าบอกขึ้นเล่าเงาไก่เต้ามีใจโคตรกา ดาน้องลานานาส่วนสี่โซฟาน้องซอยบ่ตอบท้อยกำได้แม่นปี่เตรียมใจเอื้นดากอกุ้มน่ากว่าได้ได้ ส่วนคนนิ่งใจมวนห ม, มูอันมาทาอยู่เล่งหันพ่องไค่ปันต้านกาวว่าลูกสาวเต้าผ่าปุริทารุงสลีวิลาศวันนาอาดนำนา <c oughs> บ่สิเนหามักไฟ ย, ยังใจโลกไตคนได้ปอยมีใจเจ้าถอยเอาสัด ต, ต่ำาต้อยเป็นผัว ต่างไขหัวย่อนใยโหร้องใสเนื้องนั้นพองอกเป็นขวันไม่มาดนำตายาตล้ำไหลย้อนมีใจรักขอดยังนางยอดโซภาวราทิดาหน่อเนาวิบากเก่ามาจนจริงใดตาร้นลำบากใดหนีจากเวียงใจบ่กวนไข่เก่าถอยว่านางถอยสามาน คำโบราณแต่ก่อนเจนปู่มอนสอนมาว่ากันรุกขารลมกวางตั้งจิมขางกองตั้งลมลงควางตั้งไตย่อมคำใดดังมา คนยิงใจโลกลาได้ตกตำจ้าเครื่องกาหย่านินตาเตียมซ้ำย่าคำย่ำเดิอนายกำตาใหญ่แต่ไทยกวนเมียดไวคันิิงใน ก็เอ oh ่ยพอไปไปนาบ่อเดินจ้าหลายปีกันบุญมีมารอดที ương, ่ดานยอดแปลงเมืองจักรุงเรืองกว่าเก่ายิ่งกว่าหกปีเจ้าดีดี ห้องว่าแปะงามดีนั่นใสบ่แม่นแปะลุ่มไตเมืองคนรอยเตวบุตรตนวิเศษทแหลงเป็ดเป็นมาราจธิดาหากรู้จริงเอาเป็นกู่เตรียมตน จุมหมูขนใหญ่น้อยต่างก่าวทอยนานาราชธิดาน้อยนาจกยหญ่าบาทพันพายบอเหมือนลายก็ออกไปไปนอกเพียงใจจอมแปะคำใสจ้าใจถึงตีไกดงนาเลียวหลังม้าและพ่อหันแต่จอหอจันยามตะวันเตียงคอน จิงยังย่อนเศร้าแรงเปื่อด้าแปงแต่งสร้างยังตุบย่างเหื่อนนอนก็มีวันนั้นและนะเนติตังขีนยาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุสุวรรณะแต่คำผูกทวนหกกอบังกมสมรดเส็จแล้วเต่านี้ก่อนและ